และเราจะหาความจริงใจความจริงจังจากเพื่อนมนุษย์นั้นก็จะหาได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรที่จะได้มีการฝึกฝนอบรมจิตของเรากันไว้เพื่อที่การอยู่ร่วมกันนี้จะได้อยู่กันอย่างเป็นสุขการเจริญพรมวิหารธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเป็นการฝึกจิต เพื่อให้เรานี้มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปตามลำดับประการต้นที่สุดที่สัตว์ทุกจำพวกมีความปรารถนาซึ่งกันและกันนั้นก็คือความปรารถนาดีความเกื้อกูลต่อกันที่เรียกว่าเมตตาเมตตาเนี่ยคือเราปรารถนาที่จะเกื้อกูลต่อกัน ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ถ้าจะเป็นความปรารถนาดีก็เป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตปรารถนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราปลูกฝังเมตตาธรรมลงไปในสรรพสัตว์ได้แล้วเราอยู่กันด้วยความปรารถนาดีมีเมตตาธรรมต่อกันก็ทาให้สังคมมนุษย์นี้อยู่กันอย่างเป็นสุขมากขึ้นเพราะเมตตานี้ เป็นผาสุขวิหารธรรมเป็นธรรมอันเป็นเครื่องอยู่อย่างเป็นสุขของสังคมมนุษย์ถ้าบอกไม่มีสังคมมนุษย์ใดดอกที่จะอยู่กันอย่างเป็นสุขเท่ากับเมตตาถ้าขาดเมตตาต่อกันแล้วเราจะหาความสุขได้ยากอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นความสุขในครอบครัวในสังคมของเราหรือในโลกทั้งโลกเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเมตตาเนี่ยเป็นผาสุขวิหารธรรมและการใช้เมตตาในทางสังคมนี้ ก็ใช้ได้ทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจทางกายนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้มีจิตประกอบด้วยเมตตาทางวาจานั้นไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็ตามขอให้มีจิตประกอบด้วยเมตตาทางใจนั้นไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามขอให้เรามีจิตประกอบด้วยเมตตาเพียงเมตตาธรรมเข้ามาประกอบในพฤติกรรมทางกายและวาจาใจเช่นนี้ ก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่กันอย่างเป็นสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นพุทธประสงค์ที่ได้ตรัสเอาเทศนาไว้ในประการแรกนี้ก็เพื่อให้เราเนี่ยปลูกฝังในสิ่งที่ทุกชีวิตต้องการก็คือความเมตตาต่อกันหรือความรักอันบริสุทธิ์ที่จะพึงมีต่อกันเนี่ยไม่มีใครที่ไม่ปรารถนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แปลว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกันและกันนั้นก็ต่อเมื่อเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ ที่เป็นพรหมวิหารที่เรียกว่าเมตตาพรหมวิหารเมื่อเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันแล้วควรจะมีจิตคิดปลดเปลื้องความทุกข์ให้ซึ่งกันและกันจิตที่คิดปลดเปลื้องทุกข์ให้ซึ่งกันและกันนี้เป็นเรื่องสําคัญเมื่อใครประสบทุกข์เราก็คิดปลดเปลื้องทุกข์ให้โดยให้เขาพ้นจากภาวะที่เป็นทุกข์เช่นนั้น การคิดปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ผ uh mhm, ู้อื่นเช่นนี้เรียกว่ากรุณากรุณาจึงเป็นหลักธรรมข้อที่สองรองลงมาจากเมตตาเมื่อเราปลดเปลื้องทุกข์ให้กับคนอื่นเขาได้แล้วบุคคลทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ประสบต่อความสุขความเจริญสิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นก็คือความพอยยินดีใครก็ตามที่เขามีความสุขความเจริญนั้น เขาจะต้องการให้ทุกคนเนี่ยพรอยินดีกับความสุขความเจริญที่เขาได้รับด้วยเราจะเห็นความต้องการในเรื่องเหล่านี้ของบุคคลในปัจจุบันเนี่ยได้ชัดเจนเช่นทำไมเราจึงต้องออกการ์ดเชิญมาร่วมในพิธีอวยพรในวันแต่งงานบ้างวันขึ้นบรรใหม่บ้าง วันฉลองยศฉลองตราตั้งฉลองความสําเร็จอะไรต่างๆเหล่านี้บ้างมาอวยพรวันเกิดบ้างหรือมาอวยพรในวันขึ้นบ้านใหม่บ้างในวันปีใหม่บ้างที่เป็นดังนี้ก็เพราะเหตุว่าเมื่อใครก็ตามเขามีความสุขแล้วเขาก็อยากให้คนอื่นนี้มาพรอยินดีในความสุขที่เขาได้รับด้วยใครก็ตามเมื่อมีความเจริญแล้วก็ปรารถนาอยากให้คนอื่นมายินดีกับความเจริญของเขาด้วย จึงมีการเชื้อเชิญให้มาแสดงความยินดีซึ่งกันและกันความรู้สึกของจิตใจในทุกๆคนเป็นอยู่อย่างนี้แม้ท่านทั้งหลายประสบต่อความสุขความเจริญก็คงอยากจะให้คนอื่นมาแสดงความยินดีในความสุขความเจริญหรือความสำเร็จเนี่ยกับเราคงไม่ปราถนาให้ใครมานั่งริษยาหรือทาลายความสุขความเจริญที่เราได้รับอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อ การที่เราปรารถนาให้คนอื่นมาแสดงความยินดีกับเรานั้นและเรามีการยินดีต่อกันจึงเรียกว่ามุกทิตาแปลว่าความพรอร ย, ยินดีเมื่อเขามีความสุขความเจริญแล้วเราก็ควรจะได้ไปแสดงความยินดีเมื่อแสดงความยินดีแล้วสิ่งหนึ่งในประกาศสุดท้ายที่เราทุกคนควรจะตั้งไว้ ก็คืออุเบกขาได้แก่การวางจิตเป็นกลางไม่เกิดอคติไปในส่วนใดส่วนหนึ่งในสรรพสัตว์การวางจิตให้เป็นกลางเนี่ยก็คือไม่ให้จิตนี้ถูกอคติเข้าครอบงำถ้าเราสามารถวางจิตให้เป็นกลางเช่นนี้ได้เราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขจิตนี้ก็จะไม่ถูกความยินดีความยินร้ายครอบงำเกินไปก็เป็นไปโดยสม่ำเสมอกัน สมาธิจิตเหล่านี้ก็จะเพิ่มพูนขึ้นตามลำดับเนี่ยเพราะฉะนั้นในพรโมวิหารธรรมนี้ท่านจึงได้แสดงเอาไว้เป็น4ข้อแล้วก็เรียงกันไปตามลาดับอย่างนี้ถ้าเราปลูกฝังคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นภายในจิตของเรากันอย่างจรงิงจังแทนที่จะมีอยู่เพียงแค่คำขวัญหรือจะมีอยู่เพียงแค่คำสอน ว่าผู้ใหญ่จะต้องมีโปรโมวิหารธรรมแต่ทั้งๆ ท, ท, ที่ผู้ใหญ่เนี่ยขาดเมตตาขาดกรุณาขาดมุทิตาขาดอุเบกขามันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแก่สังคมมนุษย์เราจะต้องปลูกฝังให้เกิดในด้านของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติกันอย่างจริงจังแล้วปัญหาทั้งปวงนั้นจะไม่มีปัญหาในสังคมมนุษย์ที่เรามีอยู่กันมากมายเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังมีแต่เป็นเพียงคำที่ ไพเราะอ่อนหวานที่เราจะพึงให้ต่อกันเท่านั้นแต่ว่าภายในด้านจิตใจนั้นหาได้ปฏิบัติเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกท่านจะฝึกฝนจิตและปลูกฝังเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมและอุเบกขาธรรมขึ้นไว้ก็จะทำให้พรหมมีในโลกมนุษย์เนี่ยมากขึ้นเพผู้ใดมีธรรมะสี่ข้อนี้อยู่ผู้นั้นชื่อว่าเป็นพรหม ถ้าพรมมีอยู่ในโลกมนุษย์มากโลกมนุษย์นี้ก็เป็นโลกที่มีความสุขเหมือนกับพรห ม, มโลกเหมือนกันเพราะว่าทุกคนมีพรห ม, มวิหารธรรมแทนที่จะอยู่กันอย่างแบบสัตว์นรกแบบเปรตแบบปสุรกายแบบเดรดชิชันเราก็จะอยู่กันอย่างพรหมเมื่ออยู่กันอย่างพรหมทุกคนก็จะมีแต่ความผาสุขถ้าอยู่กันอย่างอบายสัตว์ทั้งสี่ก็จะมีแต่การเบียดเบียนคมเหงรังแกกัน มีแต่การฆ่าฟันกันมีแต่การเอารัดเอาเปรียบต่อกันมีแต่การกินสินบาทค่าสินบนมีแต่ความโง่เขลาโมหธรรมซึ่งอันนี้เป็นชีวิตของอบายสัตว์เพราะฉะนั้นการปลูกฝังปรมวิหารธรรมเนี่ยขึ้นไว้ให้มากก็จะทำให้โลกมนุษย์ของเรานี้น่าอยู่มากขึ้นปรมวิหารธรรมนี้นอกจากจะเรียกว่าเป็นปรมวิหารแล้ว ในบางแห่งชั้นใช้คําว่าอัปปมัญญาคําว่าอัปปมัญญาเนี่ยแปลว่าไม่มีประมาณหรือไม่มีขอบเขตคําว่าไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตนั่นก็คือเราจะต้องฝึกจิตในด้านพรมวิหารธรรมเนี่ยให้แผ่ไพศาลออกไปอย่างไม่มีขอบเขตอย่างไม่มีประมาณคือจะมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เนี่ยให้ทุกท่วนหน้า มีกรุณาต่อสรรพสัตว์ทุกท่วนหน้ามีมุทิตาต่อสรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าและมีอุเบกขาต่อสรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าแผ่ไปอย่างไม่มีประมาณอย่างไม่มีวงจำกัดจึงจะเป็นอัปปามัญญาถ้าไม่แผ่ไปให้กว้างขวางโดยอยู่แค่วงจำกัดจะเป็นวงสาธนายาทวกท้องบริวารก็ตามไม่เรียกว่าเป็นอัปปมัญญา แต่ถ้าแผ่ไปยังบุคคลอื่นทุกท้วนหน้าแล้วทาทั้งสี่ประการนี้จึงจะเรียกว่าเป็นอัปปมัญญาเนี่ยคำว่าอัปปมัญญานั้นก็คื อ, เ, อ, อเป็นกระแสจิตที่แผ่ไปในคุณธรรมทั้งสี่นี้อย่างไม่มีขอบเขตและอันนี้เอง เ, ออเป็นความบริสุทธิ์ของจิตใจที่เราได้ฝึกฝนด้วย ปรมวิหารธรรมอันนี้เป็น เ, เหตุผลที่ท่านได้แสดงเอาไว้ในที่นี้ว่าเพราะเหตุใดปรมวิหารธรรมนี้จึงมีอยู่เพียงสี่โดยเฉพาะอารมณ์ของพรมวิหารธรรมเนี่ยก็ต่างกันเมตานั้นมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์กรณานั้น มีความทุกข์ของสัตว์เป็นอารมณ์มุทิตา น, นั้นมีความเจริญของสัตว์เป็นอารมณ์ส่วนอุเบกขานั้นมีการปรารบกรรมของสัตว์เป็นอารมณ์ถ้าจะถามว่าความต่างกันของปรมิภารธรรมทั้งสี่เนี่ยต่างกันที่ตรงไหนเราก็ตอบได้ว่าต่างกันตรงที่อารมณ์คืออารมณ์ที่เราจะเอาจิตของเราเนี่ยไปจับหรือกระทําเอาไว้ในจิตของเราเนี่ยต่างกัน แต่ว่าอาจจะเป็นในสัตว์เหมือนๆกันแต่ว่าความรู้สึกที่เอาสัตว์ต่างๆม า, า, าเป็นอารมณ์นั้นอะ่ะต่างกันเพราะสัตว์นั้นเป็นอารมณ์ของการเจริญ Promuvihan เนี่ยความต่างกันของ p r o m u v i h a r ร t h ท, ทั้งสี่ประการก็มีอยู่อย่างนี้ <c oughs> ส่วน p r o m u v i h a ร a t h a m นี่ยสมาธิที่จะพึงเกิดได้ จากการเจริญโภโมวิหารธรรมนั้นก็คืออัปปนาสมาธิผู้ที่เจริญเมตตาภาวนา น, นั้นก็ย่อมจะได้ปฐมฌานผู้ที่เจริญกรุณาก็ได้ทุติยฌานเจริญมุทิตาได้ตติยฌานเจริญอุเบกขาได้จตุฌานหรือปัญจมฌานคือสมาธิของการแผ่โภมิหารเนี่ยถึงฌานถึงแค่ปัญจมฌานถึงฌานที่ห้านับว่าเป็นการ ฝึกฝนจิตทางด้านสมาธิที่สูงส่งเนี่ยขั้นหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้ฝึกฝนถึงขั้นนี้แล้วคือถึงขั้นอั ป, ปนาสมาธิแล้วผลที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นทางโดโลกิยธรรมนั้นก็มีมาก แล้วก็โลกุตตะธรรมนั้นก็มีมากเพราะว่าผู้ที่เจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอนั้นสามารถที่จะทำความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองได้ความหลุดพ้นที่เจริญเมตตาเนี่ยเาเรียวกว่าเมตตาเจโตวิมุตต์คือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสอันมีอวิชชาตันหาอุปาทานต่างๆเหล่านี้ ด้วยเมตตาธรรมท่านเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตตคือจิตที่หลุดพ้นด้วยการแผ่เมตตานี่เป็นอนิสงส์ที่ได้ในโลกุตรธรรมก็คือจิตเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์หรือหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรับต่างๆอันได้แก่กิเลสทั้งปวงถ้าหากว่าถึงขั้นโลกุตรธรรมนี้แล้วเราก็หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ ส่วนในด้านของโลกิยธรรมนั้นผู้ที่แผ่เมตตาอยู่เนืองนิดนั้นย่อมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีเมตตาคือปรารถนาดีต่อคนอื่นก็ย่อมจะเป็นที่รักที่พอใจของสัตว์เล่าอื่นดังนั้นบุคคลที่แผ่เมตตาอยู่เสมอก็เป็นที่รักเป็นที่รักของบุคคลอื่นเป็นที่รักของสรร์ทังสัตว์ทุกจาพวกทั้งมนุษย์อมนุษย์ คือสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ก็รักสัตว์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเองก็เกิดความรักอันนี้เพราะว่าเรามีจิตประกอบด้วยเมตตาเมื่อมีมีเมตตาต่อคนอื่นคนอื่นเขาก็เมตตาต่อเรานี่เป็นผลที่ได้ในโลกิยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราแผ่เมตตาต่อกันเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเชื่อมโยงจิตใจของสัตว์ที่อยู่ร่วมกันในโลกมนุษย์นี้ ให้มีความรักความปรารถนาดีต่อกันได้เพราะบางครั้งเราจะสังเกตได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นศัตรูกันทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็เป็นศัตรูกันโดยที่ไม่รู้สึกก็มีที่เป็นดังนี้ก็คงจะเป็นด้วยอดีตกรรมที่สันทัตว์เคยจองเวรกันมาก่อน บางคนพอเห็นหน้ากันก็เป็นศัตรูกันซะแล้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่รู้จักกันบางคนพอได้ยินเสียงกันก็รู้สึกไม่ชอบใจกันซะแล้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่รู้จักกันเนี่ยทำไมเราจึงเป็นศัตรูกันทั้งๆ ท, ที่เราไม่รู้จักกันหรือแม้แต่ความดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยมันกลับกลายเป็นศัตรูกันโดยบังเองิญ ว่าสัตว์ทั้งหลายกลับกลายเป็นการทำลายซึ่งกันและกันไปฉิบเท่ากับว่าเราอยู่กันด้วยการเป็นศัตรูต่อกันดังที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าสัตว์ใหญ่ก็ต้องกินสัตว์เล็กผู้มีกำลังก็ต้องข่มเหงผู้ที่อ่อนกำลังกว่าอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็รังแกเด็กผู้มีอำนาจก็ข่มเหงผู้ไม่มีอำนาจซึ่ง เราพิจารณาดูแล้วก็น่ากลัวว่าวัตถุสงสารที่เราเกิดมาเนี่ยทำไมถึงได้เป็นอย่างนั้นแต่เราจะสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งว่าในยามที่สัตว์แสวงหาอาหารเพื่อความอยู่รอดของชีวิตแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูต่อกันเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นขาดคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแก่จิตใจเช่นอย่างชาวประมงออกหาปลา ก็หวังจะได้ปลาเป็นอาหารปลาที่ออกแหวกไลยในกระแสน้ำมันก็หาอาหารเหมือนกันต่างคนต่างก็ออกไปหากินแต่ผลสุดท้ายก็กินกันเองทงั้งๆที่หากินด้วยกันนั่นแหละแต่ผลสุดท้ายสัตว์ต่อสัตว์ก็กินกันเองก็คือสัตว์ใหญ่ไปกินสัตว์เล็กสัตว์ที่ฉลาดไปทำลายสัตว์ที่โง่กว่าเนี่ยความเป็นไปในชีวิตของสัตว์นั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะทาอย่างไร ชีวิตที่เป็นอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยจึงจะไม่มีการเบียดเบียนกันเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ทั้งเราก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นและคนอื่นก็อย่าได้มาเบียดเบียนเราเราจะปฏิบัติกันอย่างไรเพราะถ้าหากว่ายังมีการเบียดเบียนกันอยู่อย่างเนี้ยผลสุดท้ายก็เป็นศัตรูต่อกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน และความเป็นศัตรูต่อกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเช่นนี้บางทีก็ก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นไปด้วยดังที่เราจะเห็นอย่างคนแบกปืนไปกลางทุ่งถามว่าแบกปืนไปทําไมก็บอกว่าไปยิงนกยิงนกเอามาทําไมเอามาย่างกินส่วนนกที่ออกไปกลางทุ่งแกก็ออกไปหาอาหารเพื่อไปเลี้ยงลูกบางคนต่างก็ออกหากินนั่นแหละอาหารของนกก็คือปลา ปลามันก็ออกหากินเหมือนกันแต่ปลานั่นก็หาลูกน้ําหาสัตว์เล็กๆแมลงต่างๆกินเป็นอาหารต่างฝ่ายต่างออกหากินแต่ผลสุดท้ายกลับไปกินกันเองท่านจะเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกินกันเองแล้วก็เป็นศัตรูทําลายซึ่งกันและกันทั้งๆที่ต่างฝ่ายต่างก็ออกหากินเนี่ยเมื่อเราไปยิงนกตายตัวหนึ่งลูกนกที่อยู่ที่หลังก็คอยแม่อดตาย คอเหยื่อจากแม่ผลสุดท้ายไม่ได้เหยื่อจากแม่ได้กินเป็นการต่อทุกข์ก่อภัยก่อเวรขึ้นเนี่ยเวรเหล่านี้ก็ไม่มีทางระงับผลสุดท้ายมนุษย์ก็เป็นอยู่ด้วยการจองเวรจองกรรมซึ่งการอยู่อย่างจองเวรจองกรรมกันเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่เราก็มองไม่เห็นว่าเราจะมีเวรมีกรรมอะไรบ้างที่เราจะต้องชดใช้ นี่เวรกรรมเช่นนั้นเพราะว่าวัตถสงสารมันยืดยาวไม่รู้ว่าชาติก่อนทํากรรมอะไรไว้บ้างและกรรมอันนั้นจะสนองเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการสํารวมในกรรมเนี่ยเป็นความจําเป็นว่าทุกคนจะต้องมีการสํารวมให้มากขึ้นโดยที่เราจะต้องอาศัยหลักธรรมคือพรมวภิหารธรรมเนี่ยจริญกันให้มาก ก็สา ม, มารถที่จะระ ง, งับเวรได้ท่านจึงกล่าวว่าการแผ่เมตตาอยู่เสมอๆนั้นเป็นการระ ง, งับเวรเป็นการไม่ก่อเวรถ้าไม่มีเมตตาแล้วก็จะเป็นการก่อเวรก่อกรรมซึ่งกันและกันการเจริญกรุณาอยู่เสมอๆนั้นก็เป็นการไม่นิ่งดูดายเป็นการเกื้อกูลต่อกันเราเจริญมุติตาก็เป็นการ มุ่งหวังความสุขความเจริญของส์อื่นไม่ทาลายซึ่งกันและกันเนี่ยปรมวิหารธรรมนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องปลูกฝังกันให้มากที่สุดแต่ว่า เ, เราจะทำอย่างไรปรมวิหารธรรมเนี่ยจึงจะมีมากขึ้นตามลาดับแล้วก็ผลจากเมตตาที่เราแผ่ออกไปซึ่งกันและกันเนี่ย มันจะเกิดผลแก่โลกมนุษย์หรือสังคมส่วนรวมได้ท่านบอกว่าผู้ที่มีเมตตาอันมั่นคงดีแล้วแม้ว่าเราจะถูกประทุษร้ายจากพวกใจบาปหยาบช้าอย่างไรอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะระ ง, งับได้พระพุทธองค์สามารถตรึงจิตของช้างนาราคีรีได้ ทั้งทา้งที่ช้างนาราคีนั้นตกมันแล้วก็วิ่งจะมาชนพระพุทธเจ้าช้างนาราคีนั้นถูกมอมจนเมาแต่ช้างนาราคีก็มาหมอบต่อหน้าพระพักไม่ชนพระพุทธเจ้าทั้งนี้ก็ด้วยเมตตาที่พระพุทธองค์เนี่ยมีอยู่แผ่ไปยังจิตของช้างนาราคีก็สามารถให้ช้างนาราคีที่ตกมันดูกร้ายเนี่ยสงบระงับลงได้เนี่ยด้วยเมตตาจิตที่มั่นคง ถ้าเราจะเอาหลักการปฏิบัติเช่นนี้มาใช้ในสังคมมนุษย์ของเราบ้างจะได้ไหมเช่นในเวลานี้ภัยรอบบ้านเมืองเราเนี่ยเกิดขึ้นมากเราเกรงว่าการโนปราฆ่าฟันนั้นจะกระทบกระเทือนถึงเราด้วยถึงเพื่อนมนุษย์เราจะแก้ไขไม่ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ย เราะปราศค่าฟันกันได้อย่างไรถ้าเราทุกคนคือหมายถึงว่าจํานวนสาธุชนพุทธศาสนิกชนเป็นจํานวนมากเนี่ยอย่างพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยทั่วทั้งประเทศเราแผ่เมตตาพร้อมๆกันทุกๆวันโดยแผ่พร้อมๆกันจะเกิดผลดีหรือไม่ แผ่เมตตาไปในสรนทัศน์ทั้งหมดเนี่ยมันจะสงบร่มเย็นไหมสงครามจะสงบหรือไม่ถ้าเราแผ่เมตตาพร้อมๆกันโดยเรากำหนดกันว่าวันหนึ่งเนี่ยพุทธศาสนิกชนทุกคนจะต้องแผ่เมตตาเช่นเวลาสามทุ่มเรานั่งสมาธิแผ่เมตตาพร้อมๆกันสิบนาทีหรือสิบห้านาทีจะทำให้โลกสงบร่มเย็นลงไหมถ้าเราฝึกจิตให้สูง แล้วก็ทำพร้อมๆกันด้วยอํานาจพลังของจิตเนี่ยคิดว่าคงจะเกิดผลดีบ้างถ้าเราทํากันอยู่เสมอพร้อมๆกันเช่นนัดหมายกันว่าเวลาสามทุ่มหรือสี่ทุ่มก่อนที่เราจะนอนเราพร้อมใจกันแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์แผ่วสัพเพสตตาอเวราหหตุ อภยยาปชาโหนตุอณีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหรันตุเราแผ่เป็นพร้อมกันว่าสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงอย่ามีความลำบากกายลำบากใจเลยจงมีความสุขรักษาตนยิ่งขึ้นไปเถิดเราแผ่พร้อมกันเนี่ยอาตมาว่าคงจะคงจะได้ผลด้วยอำนาจของสมาธิ และอำนาจสมาธิจะเราแผ่พร้อมๆกันอย่างนี้มันก็คงจะทำให้สังคมมนุษย์นี้น่าอยู่ขึ้นที่มันกำลังเล่าร้อนด้วยภัยสงครามก็จะได้สงบลงถ้าหากว่าเราพร้อมใจกันทำอันนี้ก็เป็นแต่เพียงคิดแล้วก็ว่าความหวังไว้ว่าถ้าทำกันจริงๆเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่ เชื่อแน่ว่าในด้านการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราจะพิสูจน์ธรรมมากกันก็น่าจะทดลองทดลองทำดูเราจะเห็นว่าอนุภาพของพระธรรมนั้นจะมีมากน้อยเพียงใดเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่เห็นอนุภาพของพระธรรมถ้าปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นว่าอนุภาพของพระธรรมเนี่ยมีอยู่ ซึ่งไม่มีอนุภาพอันใดในโลกนี้ที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับอนุภาพของธรรมะธรรมานุภาพเนี่ยเป็นอนุภาพที่สูงที่สุดและเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแสนยานุภาพยังไม่ใช่อนุภาพที่สูงสุดแต่ธรรมานุภาพต่างหากที่เป็นอนุภาพที่สูงสุดแต่ว่าเราจะให้ธรรมะเนี่ยมีอนุภาพขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยผู้ที่ปฏิบัติธรรมะ กันมากๆและก็ใช้กันมากๆากทันมานุภาพจึงจะเกิดดีกว่าอนุภาพอย่างอื่นเพราะธรรมานุภาพเนี่ยออกจากจิตใจของเราเองแล้วก็เป็นความรู้สึกด้วยความจริงใจที่มีอยู่กับเราทุกคนผลที่จะได้รับเนี่ยนอกจากตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยอนุภาพอย่างอื่นนั้นยังยังเป็นอนุภาพที่เรื่อนรอยมองไม่เห็น อย่างเราจะอ้างอาอนุภาพของเจ้าพ่อเจ้าแม่อนุภาพของผีสางเทวดามาช่วยปกปักรักษานั้นก็ยังสู้อนุภาพที่สร้างขึ้นจากจิตของเราเองด้วยเมตตาธรรมไม่ได้เพราะเมื่อทุกคนมีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็มีอนุภาพอยู่ในใจแล้วฝึกใจตัวเองใช้อนุภาพในใจตัวเองออกไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอนุภาพอันนี้ก็ยังปกครองคนได้คนหนึ่งคือตัวเรา ได้และตัวเราแต่ถ้าอ้างอย่างเลื่อนลอยว่าขอให้อนุภาพเจ้าพ่อเจ้าแม่ขออนุภาพสิ่งนั้นสิ่งนี้คุ้มครองรักษาบางทีตัวเราเองยังไม่ได้รับการคุ้มครองเลยแต่ถ้าเราแพ้ด้วยตัวเราเองอย่างน้อยเราก็คุ้มครองตัวเราได้แล้วว่าเราเนี่ยไม่มีจิตปฏิฆะไม่มีจิตผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรใครผู้ที่แพ่ทันมานุภาพออกไปก็ยังมีเมตตาธรรมคุ้มครองตนเองในเมื่อทุกคนมีการคุ้มครองตนเองตนเองได้ ก็เท่ากับธรรมะเนี่ยคุ้มครองได้ทุกๆชีวิตในวิธีสร้างธรรมานุภาพในตัวเองต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่เราไม่เจะไปอ้างอนุภาพภายนอกตัวเราโดยไม่ปลูกฝังธรรมะในตัวเราเพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองท่านจะเห็นได้ว่าผู้ที่อ้างอํานาจอย่างอื่นมากมายเนี่ยมาคุ้มครองบางทีตัวเองก็ไม่มีอะไรคุ้มครองเลยและตัวเองก็ต้องประสบต่อภยัยแต่ถ้าเราอบรมธรรมะขึ้นในใจเนี่ย อย่างน้อยถึงธรรมะไม่คุ้มครองคนอื่นก็ยังคุ้มครองเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมธรรมะก็ยังคุ้มครองตัวเราไว้ได้มิให้จิตของเราเนี่ยไปประทุษร้ายคนอื่นในวิธีปฏิบัติธรรมะที่จะเกิดผลนั้นต้องใช้วิธีการอย่างนี้แล้วก็เป็นวิธีที่ถูกต้องที่เราควรจะได้ฝึกฝนให้เกิดอนุภาพของปรมวิหารธรรมเนี่ยท่านแสดงเอาไว้ทั้งในด้าน ผลแห่งฌานเพราะว่าฌานนี้มีทั้งรูปฌานและอรูปฌานปรมวิหารธรรมนี้เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งอรูปฌานได้อรูปฌานนั้นก็คืออากาสานัญจาตนะฌานวิญญาณัญญาตนะฌานอากินจัญจาตนะฌาน ถึงอากินจันใจยตนาชานสามารถที่จะถึงอรูปฌานได้ด้วยด้วยผลจากการเจริญโรมวิหารธรรมสี่นี่เป็นอนุภาพที่เราจะพึงได้จากการเจริญเมตตาโรมวิหารส่วนผลทางด้านโลกุตรธรรมนั้นการเจริญโรมวิหารธรรมเนี่ย จะเป็นปัจจัยแก่โลกุตรธรรมได้อย่างไรถ้ามีปัญหาถามมันจะเป็นปัจจัยแก่โลกุตระธรรมเนี่ยได้อย่างไรบ้างเพราะว่าอารมณ์ของโพรโมวิหารธรรมนั้นเป็นบัญญัติคําว่าสัตว์เนี่ยเป็นบัญญัตินะสัตว์สัพท์เนี่ยแปลว่าผู้คล่องอยู่คล่องอยู่ในที่เนี่ยก็คือคล่องอยู่ในในอารมณ์ หรือข้องอยู่ในวะตาสงสารเราเรียกกันว่าสันพระสัตว์คาว่าสัตว์เป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่เป็นปรมาถเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาพรโมวิหารธรรมก็ดีกรุณากาดีมุทิตาก็าดีก็มีสัตวะบัญญัติเหล่าเนี้เป็นอารมณ์ไม่ใช่มีปรมาถาเป็นอารมณ์ในเมื่อจิตเดายังติดอยู่ในบัญญัติ บัญญัตินั้นจะเป็นเหตุให้หลุดพ้นได้อย่างไรถ้ามีปัญหาถามว่าในเมื่อเราเนี่ยแผ่เมตตาพรหมวิหารธรรมไปก็ดีหรือกรุณาดียังมีบัญญัติเป็นอารมณ์เมื่อมีบัญญัติเป็นอารมณ์อย่างนี้เราจะเห็นอารมณ์ประมาทได้อย่างไรเพราะว่าบุคคลที่จะทําจิตให้หลุดพ้นได้เนี่ยต้องพิจารณาประมัตทธรรมเป็นอารมณ์ ต้องไม่มีอุปาทานยึดมั่นในสัตว์ในบุคคลในตัวตนทั้งตัวเราและตัวคนอื่นต้องไม่มีความยึดมั่นในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่เป็นปัจจัยแห่งโลอุตระธรรมได้นี่ก็เพราะว่าบุคคลที่จะเดินโมวิหารธรรมอยู่เสมอนั้น <c oughs> ชื่อว่าโสมวิหารธรรมนี้ เป็นธรรมที่อุดหนุนต่อสัพพะกิริยาณธรรมคือธรรมอันใดที่เป็นกิริยานธรรมทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นจะเินขึ้นได้ต้องอาศัยพรหมวิหารธรรมเป็นผู้อุดหนุนถ้าหากว่าไม่มีพรหมวิหารธรรมเป็นผู้อุดหนุนแล้วกิริยานธรรมทั้งหลายเหล่านี้ ก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลไม่ได้เช่นอย่างคําว่ า, ท า, า, รราทานคือการบริจาคทานคือการบริจาคนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีเมตตาทำเสร็จแล้วเราจะบริจาคทำบริจาคทานกันได้อย่างไรก็บริจาคทานกันไม่ได้แต่เพราะเรามีเมตตาเราจึงมีการบริจาคทานทําให้เราบําเพ็ญทานได้ท่านกล่าวว่าพระมหาบุรุษ หรือพระมหาสัตว์คือพระโพธิสัตว์